วันนี้ให้พวกเราตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวคือวันวิสาขาบูชาคือวันนี้เพราะนั้นพวกเราตั้งแต่เช้าจนถึงจบลงสักครู่นี้คือตอนเย็นเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีการไหว้พระสวดมนต์ทําพระักศิลรอบศาลาพุทธปฏิมาเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันได้ทํากิจกรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกวันที่ผ่านๆมาทุกวันพระที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยได้ทําอย่างนี้แต่นี้ถือว่าเป็นวันสําคัญ บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุธรรมแล้วก็ดับขันปรินิพานในวันเดียวกันจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสาคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นพุทธบริษัทสภิกษุสามเณรอุบาสิอุบาสิกาครบรอบวันนี้พวกเราจึงตั้งใจเป็นพิเศษ ตั้งกายวาจาใจให้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจเป็นพุทธบูชาตั้งวาจาเป็นพุทธบูชาตั้งกายเป็นพุทธบูชาสรุปแล้วถือกึงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดี มอกกายถวายชีวิตต่อเหตุและผล เ, เหตุและผลสิ่งที่ดีสั ม, มาทิฏฐิเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะนั้นการที่จะนับถือสิ่งใดก็าตามต้องสัมพยุต ด, ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าศรัทธาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอศรัทธาคือความเชื่ออย่างนี้ทำให้คนตกต่าเสียหายมามากต่อมากแล้วเพราะความเชื่อ แต่ว่าความเชื่อนี่ถ้าคนไม่มีความเชื่อจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้นั้นก็หาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นศรัทธาอย่างเดียวไม่สัมปะจุต์ด้วยปัญญาไม่สัมปะจุต์ด้วยเหตุผลเป็นผู้มีศรัทธาอย่างเดียวก็ทําให้เสียหายได้เพราะนั้นศรัทธาคํานี้ลักษณะเป็นดาบสองคมลักษณะนั้นน่ะถ้าพูดไปแล้วแต่ถ้าว่าสัมปยุต์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบความเห็นชอบคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่เป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นนิยาเนกะธรรมนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้อันนี้แปลว่าศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อเชื่อในพระ อ, อริยสงฆ์ของพระพุทธเจา้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้บรรลุมรรคบรรลุผลอย่างที่พวกเราสวดเบื้องตน้นบทหนึ่งอิติพิโสอิติพิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจา้าถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะคือถึงพร้อม ด้วยคุณงามความดีพร้อมหมดทุกอย่างจากนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าสวาขาโตพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสว่าขาตธรรมเป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกแล้วถ้าว่าเป็นบุญก็จะเป็นบุญว่าเป็นบาปก็เป็นบาปว่าดีก็ดีว่าเร็วหรือชั่วก็ชั่วไม่เป็นอย่างอื่นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านปราสไปแล้วชอบธรทำพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันถ้าเรียงเป็นสี่ถ้านับเป็นคู่แล้วก็8ดนับเป็นคู่แปดยังไงคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลในคู่หนึ่งสกทาคาไม่มักสกทาคามีผลในคู่หนึ่งอนาคาไม่มักอนาคามีผลคู่หนึ่งมักกับผล อรหัตตะมักอรหัตตะผลคู่หนึ่งรวมแล้วเป็นแปดแต่เป็นสี่บุคคลเป็นแปดคุณธรรมมักและผลมักและผลเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าอริยะสาวกสงเป็นพระสงฆ์ที่นากราบไหว้สการะ บ, บูชาเป็นของแท้ท่านต่ำกว่านั้นลงมาแล้วว่าสมมติสงสงสมมติยังไม่เป็นยังไม่จัดว่าเป็นอริยะสงเพราะนั้นพวกเราได้เข้ามา ศึกษาธรรมะปฏิบัติก็ให้พวกเราทั้งอกตั้งใจนะการมองธรรมะเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นพยายามมองตนเองให้มากเพราะธรรมะออกมาจากใจตนเองคนอื่นเป็นอย่างอื่นไปโลกทั้งโลกจะให้มันเป็นอย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ใจของเราคนอื่นก็จะให้เราเป็นอย่างใจของเขาก็เป็นไปไม่ได้ เขาบอกเป็นไปไม่ได้มะนั่นเถอะ ه, เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราต้องรู้จักวางตัวอย่างไรรับรู้อย่างไรปล่อยวางอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรเข้มหดขวดขันถึงทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรอันนี้เราต้องพยายามดูให้รู้ทั้งเขาให้รู้ทั้งเราเราเกิดมาเกิดมาได้อย่างไร เราจะอยู่ไปนานสักเท่าไรการที่เกิดมาในโลกนี้เพิ่งมาพบมาเจอกันมาเห็นกันจากนั้นก็ต่างคนก็จากแยกย้ายกันกลับบ้านเก่าของใครของเราไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ไปพร้อมกันบางทีก็ไปด้วยกันตายพร้อมกันแต่จิตใจมันออกไปคนละทิศคนละทางเพราะแนวความคิดของคนเราไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทําจําแนกสัตว์ให้เกิดไปต่างๆนานา หลายเรื่องหลายราวหลายมิติหลายภพหลายชาติกลัมในจำแนกสัตว์เนี่พวกเราให้สังเกตดูก็แล้วกันคนเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแส น, 100, เ, ปน 100, เป็นล้านล้านแต่ไม่เหมือนกันแปกแตกต่างกันถึงจะเป็นแฝดถ้าเรามองผิวเผินก็มันเหมือนกันแต่พอมองให้ชัดเจนเข้าไปแล้วมันไม่เหมือนกันกิริยามารยาทนิสัยใจคอแปกแตกต่างกันไปอีก เพราะนั้นเรียกว่ากลัมจำแนกสัตว์ให้เกิดมาแล้วแตกแตกต่างกันหาเหมือนกันได้ยากเพราะฉะนั้นกลัมตัวนี้พวกเราพิจารณาดูแล้วไม่ใช่ธรรมดากรัมจำแนกสัตว์ให้เกิดเป็นแตกแตกต่างกันจะเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์ที่ฉันทุกอย่างก็เหมือนกันเหมือนกันจะไม่เหมือนกัน เพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงทางด้านจิตใจแต่ขนาดร่างกายก็ยังแตกต่างกันแล้วชวนจิตใจนั้นจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้ดูอย่าไปดูคนอื่นให้ดูใจของตนเองให้มากศึกษาธรรมะแล้วให้ศึกษาใจของตัวเองอย่าไปศึกษาใจของคนอื่นอย่าไปมองถึงใจของคนอื่นให้มองดูใจของเรา เดี๋ยนี้เราคิดยังไงเป็นยังไงความรู้สึกของเราเป็นยังไงการสั่งสมคุณงามความดีของเราพร้อมหรือยังเพียงพอหรือยังเต็มบริบูรณ์หรือยังขาดตัวบกพร่องหรือยังกิริยามารยาทในแนวความคิดของเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเรานะนะั่นแหะเป็นอันดับแรกในเมื่อเราดูกายวาจาใจของเราแล้ว เราค่อยว่าคนอื่นไปทําให้คนอื่นไปสอนให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นไปที่เห็นว่ายังขาดตกบกพร่องพร้อมที่เขาจะรับ่ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็ไม่ควรจะบอกจะสอนเขาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นเป็นว่าสรักถีสัทธาเทวมนุษสานังที่ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นนายสรถัถีเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกนะ ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าต้องฝึกทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้นะถ้าคนฝึกไม่ได้พระพุทธองค์ก็ไม่ฝึกไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวแต่ถ้าว่าพอที่จะฝึกได้พระพุทธองค์ก็ยังฝึกสอนบุคคลที่จะยอมรับได้เพราะนั้นะพระพุทธเจ้านี่ฉลาดออมองซะก่อนเป็นไปได้ซะก่อนจึงแนะนําจึงสั่งสอนต่างกับพวกเราท่านทั้งหลาย เห็นคนเขา่าเอามือลูปหลังแล้วก็เป็นคนแล้วก็จะสอนหมดเพ้อเพลยังเป็นพิษเป็นภัยกับตนเองอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะความขาดความรอบขอบของเราเองเพราะนั้นการที่จะสั่งสอนแนะนำคนอื่นเพราะพุทธเจ้าท่านสอนให้รอบขอบนะสอนให้ใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาสอนอย่างในพระวินัยก็เหมือนกันเสกียวัตรพระวินัย เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขมีร่มในมือมีไม้ฟองในมือมีสัตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าสวมรองเท้าไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งลัดเขา่าคุมศีรษะพันศีษะเราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขผูเดินไปข้างหน้าเราตั่งอยู่บนอาชนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นไขนั่งบนอาชนะสูง อย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือก่อนที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังเขาต้องอยู่ในท่าแสดงความเคารพจึงจะพูดธรรมะให้ฟังจึงสอนให้ฟังไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้อยากจะพูดเขานั่งไกว่างคุยกันขยงสงเสียงอยู่ก็ยังพยายามเทศสอนให้เขาฟังเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่งอให้คนฟัง พยายามจัดเจียดให้คนฟังแต่ตามเป็นจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะเหมือนกับ น, น้าที่ใสสะอาดออพวกสัตว์ทั้งหลายหิวกระหายไม่มากินกระสุดแท้แต่ถ้าเท่าผู้ใดเห็นคุณค่าในการดื่มถ้าหิวกระหายแล้วเออก็มาดื่มมาดื่มน้ำอำมตะธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าพอมาดื่มแล้วก็ได้รับความชดชื่นแจม่มใสเบิกบานร่างกายก็ร่มเย็นเป็นสุขได้กินได้อาบน้ำอมตะธรรมของพระพุทธเธจ้าแต่ถ้าว่าไม่เห็นคุณค่ า, าไม่ได้สนใจในพระธรรมจิตใจก็เหี่ยวแห้งอับเฉ า, เ, าเพราะว่ามันมีแต่จิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย พอจิตใจปุงฟุ้งออกไปแต่ทางโลกถ้าโกรธให้แกใครก็โกรธหลับหูหลับตาโกรธจริงๆถ้าว่าเสียใจก็เสียใจจริงๆถ้าว่าน้อยใจก็น้อยใจจริงๆถ้าว่ารักก็รักจริง ๆ, ๆว่าเกลียดก็เกลียดจริงๆคำว่าพอดีหายากเพราะเหตุเพราะขาดคุณธรรมในจิตใจขาดมาตรฐานขาดการพิจารณา ขาดการไข้ควรทบทวนไตรตรองเหตุและผลไม่มีธรรมะในจิตใจถ้าคนมีธรรมะในจิตใจแล้วรู้ความพอดีเทําตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทําดีให้สุดเนี่ยเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ดีที่สุด ขอมาดีที่สุดนั้นคืออะไหรหน้าที่ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเมื่อหน้าที่พ่อแม่จะทําเหมือนหน้าที่ลูกก็ไม่ได้หน้าที่ลูกจะทําเหมือนหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ก็ไม่ได้คือให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านนะอันนี้นะคือหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสาวก ข, ของท่านเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสั ม, มเณนของพระพุทธเจา้าเป็นศักยบุตรพุทธชินโนลดเป็นลูกของพระพุทธเจา้าควรจะซ้ำเหนียกซ้ำเนกทำตนให้เป็นคนดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำไปแล้วก็เดือดร้อนตนและผู้อื่นถ้าว่าทำดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคิดขึ้นมาได้เวลาใดทั้งใดเวลาใดไอใจของเราก็ ร่มเย็นเป็นถุกแต่ถ้าว่าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็สะดุดเออสะดุดในสิ่งที่เรากระทานั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นคําพูดในโอวาทปฏิโมกเอ่อสัปปปาปัจจอกร ะ, ร ะ, ร ะ, ะาการนังการไม่ทําความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งกูรัลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง สัจจิตะประโยชปานังการยังจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัปปาปัสสะการนัง่งการไม่ทําบาปไม่ทําบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกุศลสูปสัสมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชนาปานังการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใส ให้ปราศจากกิเลสราคะโทสะโมหะเอตังพุทธานัสสาสนังนี้คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพรายนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้หลีกเล่นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าทําความชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะต้องเผาผ่านเมื่อภายหลังอ อากตังลุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิลูกตังยยรตรกรรมชั่วจะทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้แล้วเรามาพิจารณาดูแล้วก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกกล่าวเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้สำเนียกสำนึกไว้อยู่เสมอในชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แนะ่นอนไม่รู้จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป ควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นสาระ land, ที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะทำสิ่งนั้นถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ทำตนให้เดือดร้อนทำคนอื่นให้เดือดร้อนเราก็พยายามหลีกเล่นในการกระทำนั้นพยายามงดเว้นจะไม่ทำในสิ่งนั้นถ้าว่าสิ่งใดก็ตาม Luca, มีประโยชน์ ต่อตนเองมีประโยชน์ต่อชุมชนประเทศชาติต่อโลกเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้มากอันนีค้คือการเป็นอยู่การของชีพของตนเองแต่บางคนก็มีแต่เอาอย่างเดียวคนอื่นเะเดือดร้อนุนวายขนาดไหนไม่ได้คิดอันนี้แปลว่าอยู่กับโลกเขาก็ขวางโลกเขาเป็นพิษเป็นภัยกับโลกเขาทาให้โลกเขาเดือดร้อน เพราะตนเองการกระทาของตนเองแต่ตนเองไม่รู้นะแต่โลกของเขาเดือดร้อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาธรรมะเข้ามาจับเอาศีลธรรมเข้ามาจับเอามาวัดเอามาเป็นมาตรฐานเอามาเป็นแนวแถวการดำเนินชีวิตของเราเราจะรู้ได้เห็นได้ชีวิตเขาชีวิตเราอกเขาอกเราเรื่องของเขาเรื่องของเราถ้านเราทำให้แกเขา เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาทําให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรทั้งความดีทั้งความชัว่วถ้าเขาทําความดีกับเราเร า, ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเราทรํากรรมดีหรือทําเรื่องดีกับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายใต้องสําเหนียกสำเนกึเนกไว้อยู่เสมอเอาแนวทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปิดเครื่องวัดมาเป็นเครื่องดําเนิน พวกเราจะรู้ได้เห็นได้อันนี้คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ของพวกเราส่วนทางด้านจิตใจนั้นวันนี้นะวันนี้เป็นวันวิสาขาคืนนี้นะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พวกเราภาวนาให้มากไม่นอนทั้งคืนได้ไหมคืนนี้อันนี้ก็คือเป็นคำบอกกล่าวเป็นคำตักเตือนถือว่าเป็นวันสำคัญน่ วันมาคะกดีวันวิสาขาก็ดีพยายามเดินจงกรมให้มากนั่งภาวนาให้มากพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากวันนี้ตลอดทั้งคืนเป็นยังไงเพราะนั้นเราต้องมีหนักต้องมีเบาในการทำความภาคความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพระสงฆ์ที่ออกมาตัอ้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วต้องมีที่หนักต้องมีที่เบา นักก็คือยังไงเนี่ยในคนในนนืนเนี่ยวันเดินหกเพนเนี่ยข้าพรเจ้าจะเอาอาริยบทสามคือยืนเดินนั่งเท่านั้นจะไม่นอนเอนจะไม่หลับโดยเด็ดขาดแต่บางคนไม่นอนเอาอาริยบทสามยืนเดินนั่งแต่ไปนั่งคุยกันจะได้แต่ไหนก็ยิ่งไปใหญ่เอาสัญญาอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจยิ่งแย่ไปอีกท่านนอนใก็จบเรื่อง ไม่มีเรื่องมีราวแต่ถ้าว่าไปนั่งคุยกันโกนเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมาพูดมาสนทนากันทำให้เสียหายกับตนเองกับหมู่พวกเพื่อนอีกต่างหากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาด้วยศรัทธาคือความเชื่อว่าข้าพเจ้าจะทำตนเป็นคนดีเชื่อแต่พอขาดปัญญามันก็ออกแสบออกไปอย่างนั้นไปอีกเพราะนั้นทั้งสองอย่างศรัทธาคือความเชื่อ ปัญญาคือความรอบรู้เนี่ยต้องไปด้วยกันต้องพยายามดูการกระทําของเรา เ, เป็นสัมมาทิฏฐิไหมเป็นตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนไหมเป็นตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ไหมไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะให้เป็นภูิมักน้อยแล้วก็พยายามเร่งความภาคเพีย ให้มีสติอยู่กับตนเองจะส่งจิตออกไปข้างนอกเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกกล่าวไว้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็พวกเราพยายามดูตนเองให้มากนะะการทำความภาคความเพียรการเดินยงกลมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพยายามทำให้มากเจริญให้มากถ้าทำมากแล้วจิตใจจะได้รับความ สงบสุขร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาเมื่อไหรระลึกขึ้นมาเมื่อไหรใจของเราก็อบอุ่นจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่กระสรับกระส่ายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีแล้วเป็นทุกข์นะหาหลักยึดไม่ได้ทั้งด้านจิตใจ เมื่อเท่าแก่ชราเมื่อมีอายุพรรษาสูงขึ้นมาจิตใจของเราก็ยังไม่มีหลักอย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะให้พร้อมพากันทั้งอกทั้งใจประพฤติธปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้พยายามนั่งภาวนาให้มากอดนอนผ่อนอาหารคือหน้าที่ของพระกรรมฐานพระกรรมฐานต้องเป็นอย่างนี้นะพระกรรมฐานเนี่ยเป็นพระ ปฏิปทาที่อดอยากอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้แล้วเป็นปฏิปทาที่อดอยากเราจะกินตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจพูดคุยตามอำเภอใจสนุกสนานตามอำเภอใจทมจะไม่เกิดกับผู้เช่นนั้นทมจะเกิดกับผู้อยากทำไม่ทำอยากพูดไม่พูดอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนต้องฝืน ทำจะเกิดกับผู้เช่นนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้พยายามฟังแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําเอาไว้กิจตภาวนาเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาปฏิบัติอย่างนี้เข้ามาวงในอย่างนี้เขามาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ให้พวกเรานั่งภาวนาถ้าพวกเรานั่งภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วเราจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ้งในจิตในใจ เ, ออเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเรามีแต่ศรัทธาความเชื่อเฉยๆมีแต่เชื่ออีกสักวันหนึ่งความเชื่อนั้นอาจจะ เลือนลางหายไปก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ริมรถหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยใจของเราเองแต่ถ้าว่าพวกเราได้สัมผัสได้รับรู้ได้ปฏิบัติละพระธรรมเข้าสู่จิตใจของเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาจริงๆไม่ได้เห็นด้วยอย่างอื่น เห็นซึ้งด้วยปัญญาจริงๆเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วกิเลสก็จะหลุดออกไปจากใจของเราไม่มากก็น้อยเมื่อกิเลสหลุดออกไปก็เหมือนกับเรือที่ออกไปในมหาสมุทรอย่างนั้น่ะพยายามปิดน้าออกปิดน้ำออกตักน้ำออกอันนี้ก็เหมือนกัน่ะพยายามสกัดกิเลสออกจากกิตจากใจใจของเราก็มีแต่ความเบาสบาย เออไม่เป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสไม่ได้กดขี่บังคับข่มเหงจิตใจของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณามีแต่ขนเข้ามาใส่ขนเข้ามาใส่ใจแบกเรื่องนั้นแบกเรื่องนี้หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ขนเข้ามาจิตใจผลที่สุดใจของเราก็หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเครียดเข้าเครียดเข้าเ อ, อหน่าหงิกหน่างอไปเลยเออ ดูดูแล้วทำไมจึงมีทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักโลกโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างไรถ้าพอธรรมะเข้าไปจับแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงโลกอันนี้มันมีหลายหลาอย่างที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาจะต้องได้เรียนรู้เรียนรู้แล้วจะทำยังไงจะยึดจะปล่อยจะวางจเจอ้าอย่างไรถาว่าเรา ศึกษาแล้วตามแนวแถวของพระพุทจารดูว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้บ่อยกระทั่งความรู้สึกนึกคิดในใจของเราอีกต่างหากไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งภายนอกไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจของตนเองใจของเราเนี่ยไปเกาะไปยึดไปติดกับสิ่งภายนอกจนใจของเราเจิญเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะนั้นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ปล่อยวางที่อื่นนะท่านไม่ให้รู้ที่อื่นนะหลักสุดยอดจริงๆคือให้ดูใจนะดูใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจ เ, เมื่อเรารู้ดูใจของตนเองแล้วกิเลสตัวไหนจะเข้ามาสู่ใจของเราได้เราก็ปล่อยวางจุดนี้แต่นี้ มักผลนิ้พานไม่ต้องหาที่ไหนมักผลนิ้พานอยู่ที่ใจเมื่อปล่อยวางแล้วกิเลสหลุดออกจา ก, กจิตใจแล้วนั่นแหะทำความบริสุทธิ์เข้าทดแทนในจุดนั้นคือดวงผู้รู้นั่นแหละรู้สักแต่ว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวา ง, วางนั่นแหละ มักผลนิพพานก็จะเกิดในจิตใจของพวกเราท่นทั้งหลายเหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างมันแสงมืดมันอยู่ที่มืดอยู่ในถ้ำถึงจะรอยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็ตามมันมืดอยู่นั้นแต่พอไฟแช็คไฟฉายของเราจุดขึ้นมาความมืดนั้นก็หายไปได้อันนี้ก็เหมือนกันใจของเรามืนจะมืดบอดขนาดไหน แต่เอาธรรมะเข้าไปสองเอาไปเข้าไปพิจารณาใจของเราก็เกิดสว่างจ้งขึ้นมาได้เหมือนกับความรู้ของเราก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้เรื่องภาษาอย่างเนี้ยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็ตามเราไม่รู้แต่พอเราเรียนรู้ความโง่ก็หายไปความฉลาดก็ขึ้นมาแทนอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะ ความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าเหนือกว่านั้นร้อยเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าอาความหลุดพ้นตัวนี้ความเฉลียวฉลาดตัวนี้จะเอาวิชาทางโลกเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟัง เ, เท่านั้นเองแต่ว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นตัวนี้รู้แจ้งเห็นจริงตัวนี้มันเทียบกันไม่ติดกับเรื่องทางโลกทั่วๆไปเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย พยายามสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเริ่มตั้งแต่ทีแรกนะทานศีลภาวนาอันนั้นนะเริ่มเข้ามานะทําจิตใจให้มีเหตุมีผลให้จิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมจากนั้นก็เข้ามาเรื่อยๆการกระทําทางกายทางวาจาจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาเรื่อยจนถึงตัวใจตัวผู้รู้เรื่องทั้งหลายออกไปจากใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจ จุดพ้นที่ใจใจของเราเนะี่ะเป็นตัวการเป็นเรื่องใหญ่อยู่เดียวนี่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองที่อื่นนะธรรมะขั้นสูงสุดแล้วให้ท่านให้มองใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอมโนปุพังขมาธ ร, รมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่ตนต้งดึงดิ่งเข้าไปสู่ใจเข้าไปดูที่ใจอันนี้จังเกิดมาจากไหนอันนี้จังคือของไม่เที่ยงมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อารมณ์เข้ามากระทบะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับอยู่งั้นของไม่เที่ยงสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกข์นะสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไร เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมะขั้นสูงสุดที่จะทําลายภพทําลายชาติคือธรรมะอนัตตานะให้พวกเราจําไว้ว่าธรรมะอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็คือธรรมะขั้นสูงสุดแต่ว่าเราเอาจะเอาธรรมะขั้นสูงสุดนี้ไปพูดคนที่ไม่เคยปฏิบัตินั้นพูดยังไงก็ไม่เข้าใจกันเผยเผยอาจจะมีการทก ถกเถียงกันขึ้นมามากกว่า น, นั้นก็อาจจะมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็ได้เพราะเหตุใดเพราะคุณนธรรมการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติไม่เสมอกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าฝึกหัดบุคคลที่ควรฝึกสอนบุคคลที่ควรสอนพูดให้ฟังบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังได้เอาต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชานะ เมื่อนั่งสมาธิดูพระประธานที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นปนมมือก่อนนะปะนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกก่อนนึกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์จากนั้นก็อมมือลงนะพอมือลงแล้วทีนี้ เราจะนั่งหลับตาแผ่เมตตาก่อนก็ได้นะนึกในใจว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ให้มีขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเราจัดบริกรรมอย่างนี้ก่อนก็ได้จากนั้นค่อยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนนะ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าไปแต่งลมนะอย่าจะไปกั้นลมนะหายใจตามปกติถ้าว่าเราจับลมไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกหัดนะเราหายใจแรงๆสักสองสามฟืดดูนะหายใจแรงๆหายใจเข้าหายใจออกแรงๆเราจะรู้ได้แบบลมกระทบที่ไหนจากนั้นเราเอาสติจับตรงนั้นละ่ะที่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบนะ่ะพยายามสังเกตไม่ให้สงจิตออกไปข้างนอก ไม่ส่งจิตไปในอดีตไม่ส่งจิตไปใ น, ใ, นในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้ น, นอันนี้ก็คือการภาวนาหรือว่าเราจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทุกขณะจิตที่มันนึกคิดที่มันปุ่งๆแปบบ๊แบบแปบบ๊บป๊บแป๊บแในใจสำทับอยู่ตรงนั้นเลยไม่ให้มันออกไปข้างนอกพุโทโธพุโทโธพุทธพุทธ อ, อย่างนั้นก็ได้นะได้ทั้งสองอาง ะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ